บุกทูสี่สิบสองอรมุตสตโอรการเที่ยวเมืองคาลาิสวาเเรบาคาลาิสตวาเลเรบาตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ ขบาาริควอบิตขียาบาซาริควีราบิงานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับขี้ยากาโมเพนักวีราบิตกมเพนกวราบินิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับขี้ยากาโมเนซัมฉาบทบิต สวนสัตว์เปิดท vale ุกวันพุธใช่ไหมครับพิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพระหัสถ์ศบดีใช่ไหมครับ หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับเียรกาเลรยปอาเอาลรียรสเกอบิต ส, สามารถถ่ายรูปได้ไหมครับพโตสกาดาเกบ า, ก า, าบเชิยตดเลบาดาบเยเลบา้างต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับ เชสสสากดิโตข้าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับราฮิสเชวสเชวลามีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับอาริสพาสตาเลบากบสสอาริสพาสตาเลบากบสสมีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับ อตบมีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับอาริตอบอต์เกลเปานอนั่นตึกอะไรครับอสราอสร ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับ i s c b a ร a g n o b a r a g n ใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับ i s n o b a v i n o b a v i n อาผมสนใจในสถาปัตยกรรม Me Architettura mi i n t e r e s s ส ไมตมานผมสนใจในศิลปกรรมมเข้านไม่สนใจสิมเนมสผมสนใจในจิตรกรรมมคโรามานมควโรปา ม, มนใในปาน Music